ในวงปฏิบัติไม่คจะเทศไปกว้างขวางให้เสียเวลาเวลามากมายเทพย่นลงมาในจุดสาคัญสาคัญเป็นเทศเรื่องทุกข์อะไรเป็นทุกข์ในโลกนี้ต้นไม้ก็เป็นต้นไม้ภูเขาก็เป็นภูเขาดินฟ้าอากาศก็เป็นดินฟ้าอากาศจะกว้างขนาดไหนสิ่งนั้นไม่ใช่ทุกข์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 พราะฉะนั้นึงโดนกันอยู่เสมอแล้วหาทางแก้ไขเอาตัวรอดไปไม่ได้นี่โลกเราก็มาโง่ตรงนี้มีใครจะมีความเฉลียวฉลาดสามารถอย่างพระพุทธเจ้ามยังไม่มองเห็นใครว่าชี้ถูกจุดแห่งทุกแห่งทุกชี้ถูกจุดที่แก้ทุกชี้ลงที่ไหนชี้ลงในเบญจขันธ์ของเราหนี้กับใจนี่เป็นหลักสำคัญนี่แหละ สถานที่ทุกเกิดเกิดที่นี่ทันว่ะเพราะสาเหตุที่จะทําให้ทุกเกิดก็มีอยู่ที่นี่วิบากที่เกิดขึ้นมาจากสาเหตุคือธาตุขันธ์ของเราก็มีอยู่กับตัวของเราที่เรียกว่าร่างกายมีเป็นวิบาก ค, คือผลของสิ่งที่ผิดขึ้นมาได้จากที่เล็ก อ, อริชาตัญหามันปิดให้เกิดขึ้นมาเป็นรูปเป็นนามจึงเรียกวิบากก็อยู่ที่ตัวของเรา ครูที่จะผิดทุกข์ให้เกิดขึ้นโดยลําดับลําดับภายในจิตก็เกิดขึ้นภายในจิตนี่เองไม่ได้เกิดขึ้นที่ระพุทธเจ้าท่านถึงสอนให้รบกันที่นี่ให้รู้กันที่นี่หลบปีกปีกตัวด้วยอุบายสติปัญญาทุกแง่ทุกมุมต้องหลบหลีกกันที่นี่ต่อสู้กันที่นี่ให้เข้าใจกันที่นี่แก้กันที่นี่ค้นกันไปจากที่นี่ไม่พ้นที่อื่นนี่เพราะยางยิ่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 เราให้ความทุกข์ที่เกิดขึ้นในธาในขันเผาเอาเพราะอำนาจแห่งกิเลสพาให้หลงเข้าไปให้มันเผาเนี่ยเนี่ยถึงว่าเป็นเรื่องสำคัญมากสงครามในโลกไม่มีสงครามใดยิ่งไปกว่าสงครามระหว่างปิตกกับขันที่แสดงต่อกันที่กระทบกระเทือนกันความกระทบกระเทือนนี้เคยมีมาแล้วตั้งแต่วันเกิดการเกิดมาเป็นของดีเมื่อไรในขณะที่เกิดก็ออกมาจากช่องแคบ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 พอโตขึ้นมาก็ถึงจะทราบว่านั้นเป็นพ่อหนี้เป็นแม่เกิดวันนั้นเดือนนี้ก็อพ่อแม่บอกไปร่ำเวลาเท่านั้นเท่า น, นี้พ่อแม่บอกคนอื่นบอกถึงจะทราบเพราะยังไม่มีทางทราบมันมืดมาโดยลำดับนั่นแหละเรื่องจิตมืดด้วยลบความจดจําของตนจนหายหายหมดด้วยมันมืดไปหมดนี่เราแสดงเรื่องของทุกแล้วกระทบกระเทือนกันมาตั้งแต่บัดนั้นอะ่ะจนกระทั่งปัจจุบันนี้มีอะไร ภูเขาทั้งลูกลูกไหนมากระทบกระเทือนเราให้รับความลำบากต้นไม้ใหญ่ๆที่ไหนมากระทบกระเทือนเราให้ลำบากไม่มีน้อยที่สุดร้อยจะหาหนึ่งก็ไม่มีเป็นปตุไม้ล้มทับคนนี่นร้อยหาหนึ่งก็ไม่มีไอที่ขันล้มทับเรานั่นเถทับอยู่ทุกผู้ทุกคนทับอยู่ตลอดเวลาการพายืนพาเดินพานั่งพานอนพากลับพาถ่ายพานับทานอานหาร ทานุ่พระหอมเพราะอะไรเพราะเรื่องมันทับทนไม่ไหวต้องหาทางออกหาทางมันเทากันล้วอยู่กันด้วยการมันเทาแต่จิตมันไม่อยู่ในจุดนี้มันจึงไม่เห็นโทษของโทษที่มีอยู่ภายในตัวเองจิตมันฟุ้งเฟ้อเหือมไปโน่นไปว่าวนาคตเป็นลมเป็นแรงบาดมโนภาพปน่นหว่านั่นจะดีอันนี้จะดีจะดื่นเริงมันเทิงที่นั่นจะสุขที่นี่จะสบายจิตมันเพลิดเพลินไปโน่นเสียงมันลืมความทุกข์ที่มีอยู่กับตัวทั้งทั้งที่ นี่อยู่ตลอดเวลานั่นแหะก็เราไม่สนใจมันก็เหมือนไม่มีนะในจังหวะเราเหลิงก็ไม่เหลิงของจริงมีอยู่แสดงอยู่คว่าตกรถเพือนนั้ท่านในคันมีอยู่ทําไมไม่เห็นโทษของมันที่มันก็ตกรถเพือนตลอดเวลาแล้วเราจะวังเอาความเพลิดเพลิอนอะไรจากสิ่งเหล่านี้เล่ายิ่งขนาดเจ็บค่ายได้ป่วยด้วยแล้วก็ยิง่งไปใหญ่ยิ่งทับยิ่งถมเข้าทุกด้านทุกแง่ทุกมุมเดียว อวัยวะส่วนไหนเป็นทุกไปด้วยกันเป็นไฟไปด้วยกันหมดเผากันมาที่จิตใจถ้าจิตใจไม่มีทำเป็นกรอบเครื่องป้องกันแล้วแล้วก็เป็นไฟไปด้วยกันกับธาตุขันยิ่งมีความทุกร้อนและยิ่งเป็นไฟกองที่ร้อนที่สุดยิ่งกว่าธาตุขันที่อีกเพราะความหลงรู้เท่าไมา่ถึงการนี่ลองคิดดูนี่แหละที่เรียวกว่าสงครามให้พิจารณาอย่างนี้ อย้วที่นี้ถึงคราจะตายล่ะขนาดไหนไม่ไม่เหมือนเกิดเกิดมันความจำมันก็ไม่มีสภาพของเด็กก็เป็นอีกอย่างหนึ่ ง, ท, งทั้งที่ทุกข์ความจดจำเหล่า น, นั้นก็ไม่ไม่ค่อยมีความรู้รยังสาภาวะเกี่ยวกับเรื่องทุกข์เด็กก็ไม่ค่อยมีมาก ท, าทั้งที่ทุกข์เหมือนกันก็ตามแต่ที่ตอนเป็นผู้ใหญ่เราเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยเขานั่งหนักนี่เป็นยังไง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 ว่าเป็นสุขเป็นทุกข์รับทราบแล้วเราก็มีปัญญาเป็นเครื่องป้องกันตัวเราอีกว่าเวทนาไม่ว่าจะเพียงเกิดขึ้นเท่าเพียงเท่านี้ถึงจะเกิดขึ้นมากกว่านี้จะมาะทั้งเวทนาทนไม่ไหยมันจะแตกลงไปก็ต้องเป็นเวทนาอยู่วันกลางค่าเวทนาเกิดเวทนาตั้งอยู่เวทนาดับมีเท่านั้นไม่มีอย่างอื่นถ้าเราไม่เอาเราเข้าไปแทรกแล้วมันมีเท่านั้นตามความจริงนี่เป็นขัน้นเลยเป็นข้อน่งที่เราจะทําความเข้าใจให้กับสิ่งเห น, นี้โดยถูกต้อง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 ถ้ารับชาติันตลอดสายอา้าวทนไม่ไหวหรือเวทนานี่ขึ้นขนาดไหนทน ไ, ไหวเอาแตกแต ก, แตกเวทนาดับไปผู้รู้ที่มาในดาบผู้รู้นี่คือใจใจมีปัจฉาที่ไหนไม่ดบับไม่มีการดับตั้งัต่หัตถ์มาเกิดท่องเที่ยวเกิดนวัตตังสารก็คือใจดวงนี้เองเป็นได้เพียงว่าไปตามบุญตามกรรมตั้งตนถ้าเราพิจารณาทางด้านปัญญานิสิตที่เราจะแนลลงสู่ความจริงไม่สะทกสะท้ า, ทานกับทุกเวทนาที่เกิดขึ้นทัญญาที่เป็นหมายว่านั่นเป็นเรานี่เป็นของเรา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 ขวางถนนหลวงไม่ได้เป็นโทษอันนี้เรื่องคติธรรมนาก็คือความตายเกิดแล้วต้องตายนี่ทางต้นทางคือความเกิดตายทางคือความตายกลางทางคือความทุกข์ความลําบากที่เป็นบ้านเยืองที่เราเห็นอยู่แล้วนี้มันมีแต่กองทุกข์ทั้งนั้นในท่าในขันนี่อะไรที่ให้เป็นความสุขความสบายถ้าเราไม่ประกอบขึ้นภารกิจจ้งเราให้เป็นความลื่นเริงด้วยคุณงาความดีของเหล่านี้หาความสุขไม่มีในขันอันนี้หรือในโลกอันนี้จะไม่มีใครเจอความสุขเลย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 ถอยหน้าถอยหลังย้อนหน้าย้อนหลังกลับไปกลับมาพิจารณานี่แหะเดี๋ยวเป็นหินรับปัญญาพิจารณาเราจะเอาเพียงผลเดียวอยู่ให้จิตของเราปัญญาของเราหมุนอยู่กับทุกขเวทนาเกิดขึ้นมากเท่าไรกาหนดให้มันรู้ทันโดยลําดับลําดับไม่ให้เผลอไม่ให้หลงมันให้มันแยกกันออกได้าตาก็ตายแต่เถอะสบายเลยนี่คืออยู่สบายตายสบายนานแยกกันได้ไม่ไฟนอกบ้านเข้ามาไหม้ในบ้านเราไม่ให้ไฟ ในธาตุนขันที่มันเป็นในตามธรรมชาติมันมาไหม้จิตใจของเราให้เดือดร้อนไปตามนี่คือวิธีดําเนินวิธีแก้ทุกวิธีรู้เท่าทุกวิธีถอนทุกไม่ให้ทุกคำภายในร่างกายที่เกิดขึ้นอันเป็นทุกขเวทานานั้นเข้ามาเผารวนจิตใจของเราเราก็อยู่สบายท่าสุกจิตนี้เป็นสาระอันสาคัญไม่ได้มีแต่มีสลายไปเช่นเดียวกับร่างกายธาตุขันเหล่านี้ จงว น, นักษา น, นี้ไว้ให้ดีด้วยสติด้วยปัญญาของเราเราไม่ได้ล่มจมไปร่างกายจะแตกก็เป็นเรื่องของร่างกายแตกเอาจะว่าร่างกายล่มจมไปก็ล่มจมไปลงหาดินน้าบนไฟของเขาเนี่ย จ, จิตใจไม่ล่มจมไม่แตกไปด้วย จ, จิตใจไม่จิ้หายเพราะฉะนั้นการตายจึงเป็นเรื่องธรรมดาไม่ใช่ไปล่มจมกันผููปฏิบัติเพื่อความฟื้นฟูตัวเองจะไปล่มจมอย่างนั้นได้ยังไงเขาจะทรงตัวไว้ได้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 ใคาจะท้อถอยังไม่ท้อถอยกับมันมันก็เป็นทุกขเวทนาไม่เกิดประโยชน์อะไรกับความท้อถอยนอกจากจะมาทับถมเจ้าของเท่านั้นเองนี่เดียวว่าส ง, สงครามสงครามจิตสงครามขันอันเป็นสงครามใหญ่โตยิ่งกว่าอะไรแล้พูดถึงเรื่องกองทุกอันนี้แหละคือกองทุกถังแท้จริง ที่เรารับผิดชอบเรากระทบกระเทือนหรือกระทบกระเทือนกับเราอยู่ตลอดเวลาคือธาตุคือขันคือกิเลสอาสวะซึ่งมีอยู่ภายในจิตใจของเรานี้เท่านั้นไม่มีอันใดที่จะมาทําให้เราได้รับความเดือดร้อนภูเขาทั้งลูกก็เป็นภูเขาไม่เคยมาทับใครอ่าินฟ้าอากาศก็อยู่ตามสภาพของเขาแต่ผู้รับกองทุกข์ทั้งหลายก็คือธาตุคือขนันคือจิตใจของเรานี้เป็นผู้รับถึงอย่างนั้นรับเป็นสัญญาอารมณ์ มันร้อนมากหนาวมากอะยุ่งไปหมดอ่เาเอางั้นก็เจ็บนั่นปวดนี้นนข่านน่ขันจะไม่เจ็บไม่ปวดหะไรก็เรือนของโรคมันเป็นโรคความแปรสภาพอันนี้จังทุกขกั้งนัตตานี่คือโรคชนิดหนึ่งหนึ่งมีแกมสวงเราแล้วจะไม่เขาแสดงตัวได้ย่งไรอันใดที่มีมันต้องสแสดงตามเรื่องของมันเราที่มีสติปัญญาก็าให้ทราบตามเรื่องของมันนันก็ไม่เสียทาเสียีให้เขาเมือเราพิจารณาอย่างนี้จิตใจเรายิ่งจะมี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 ไม่มีอะไรที่จะเป็นภัยตัอตนเองเราเชื่อที่เลสแล้วเชื่อมานานคราวนี้เรากําลังทายเทกิเลสออกทําลอกมสําลอกปอกกิเลสออกแเชื่อธรรมเชื่อพระพุทธเจ้าปฏิบัตไว้ชอบยินไม่มีผิดไม่มีพลาดปฏิบัติตามพระองค์แล้วแค่คลาสปลอดภัยไม่มีอะไรเข้ามาเหยียบย่ําทําลายจิตใจอยู่ก็เป็นสุข ปลอดภัยไปก็ไม่มีภัยมีเองเพราะตัวปลอดภัยอยู่กับตัวเองตัวเองรักษาตัวด้วยดีแล้วไปไหนก็ไปพบไหนก็พบเถอะผู้ที่มีธรรมครองใจต้องเป็นสุขทั้งนั้นไม่มีไอย้ยรองคํามาร่มมาจมความร่มความจมมันสร้างกับตัวเองอยู่ตลอดเวลาจนหาสาระไม่ได้ในตัวมองดูตัวแล้วเป็นหาสาระไม่ได้เลยนั่นแหละที่สร้างความล่มจมความดีเราสร้างเห็นอยู่ประจับกับใจของเราอย่างขัดเกลืนแบ น, นี้ มันจะร่มจมไปที่ไหนมีแต่ความสุขกายสบายใจที่ไหนก็สมาธิอำนาจแห่งการปฏิบัติธรรมเห็นคุณค่าเป็นคุณค่าเห็นประจักษ์กับใจของผู้ปฏิบัติเราเกิดมาได้พบนี้ได้พบพระพุทธศาสนาได้พบปฏิบัติเต็มสติกําลังความสามารถคนที่ไม่มีศาสนาหาหลักหาแหล่งไม่ได้นั่นแหะร้อยจะหาทั้ง สักหนึ่งมันมีหรอือเราเทียบกันทั้งโลกนี่ร้อยต่อหนึ่งมันก็ไม่มีนะยุ่งกันหาแต่ความสุขแต่ไม่ปรากฏว่าใครเจอความสุขเจอตั้งแต่ทุกข์กันทั้งนั้นไปที่ไหนบนอือ้อไปหมดทั้งโลกทำไมทำไมจึงเป็นอย่างนั้นก็มันไม่หาในจุดที่ควรจะเจอแล้วมันจะเจอได้ยังไง ห, หาจุดที่เจอสิพระพุทธเจ้าทรงค้นพบแล้ว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 เพราะทางเดินได้ประทานไม่แล้วคือปฏิปทาเครื่องนำเหนยถึงความสิ้นทุกข์ซึ่งมีอยู่ภายในจิตใจของตว์ผู้มีศาสนาก็มีทางที่จะพ้นทุกข์ไปได้โดยลําดับผู้ไม่มีนั่นสิหลับใจไม่มีเดอนใจไม่มีสาระของใจไม่มีสรณะของใจไม่มีเอาแต่ภายนอกเป็นสาระพาแล้วก็หมดคุณค่า เอาความสุขไปไว้กับสิ่งโน้นสิ่งนี้ก็ ไ, ไว้กับโลกนั้นโลกนี้ทวีปนั้นทวีปนี้วัตถุสิ่งของเงินทองนันน้น น, นี่เอาความสุขไปไว้นู้นเอาจิตใจไปไว้กับนู้นพอโน่นสลายน้นหมดท่าที่นั้นไม่สลายเวลาเราจะตายก็หมดท่าอีกหาความเป็นสาระไม่ได้เลยนั่ น, เ, นเรียกว่าคนขาดที่พึ่งเราไม่ใช่คนเช่นนั้นกาลงัลงสร้างที่พึ่งภนานจิตใจ พึ่งภายนอกเราได้พึ่งมาแล้วทุกสิ่งทุกอย่างได้อาศัยมาพอสมควรพอรู้หนักเบาของมันแล้วทีนี้เราจะสร้างสาระสําคัญขึ้นภายในจิตใจที่เรียกว่าอัตตะสมบัติหรืออริยทรัพย์ขึ้นภายในจิตใจข้างต้นอันเป็นทรพย์อันประเสริฐนี้ให้สมบูรณ์พูนสิทขึ้นเดิมแบบผมขอให้มีความพยายามพยายามมากน้อยหนักเบาเพื่อเราทาั้งนั้นความลําบากลําบนเราอย่าถือว่าเป็นอุปสรรค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 หายิจเรื่งกต่บัตรนี้อชเชวะปิต จ, จะมาตับตังโพทัญญามาังสุเวนะหิโนสั่งการเตยนมหาเสยเยนวัตินาควรทากิจที่เป็นผลเป็นประโยชน์เป็นสาระสำคัญแต่ตนเสียในวันนี้ไม่ควรคำานึงถึงวันนั้นวันนี้เพราะความตายที่เป็นเหมือนพญามาจุราชนั่นอ่ะไม่ได้กำหนดไวล่าเวลาว่าจะมาเมื่ อ, อไรท่าสายบ่ายโมองอะไรไม่ว่า แล่ว่ามีใครที่จะลอดพ้นไปได้ปัญญาเฉลียจะนาขนาดไหนก็ไม่พ้นเรื่องความตายใหญ่ยยกว่าทุกสิ่งทุกอย่างเพราะผลล้นงต้นคือต้นเหตุมันเกิดขึ้นมาความเกิดเป็นมาแล้วความตายจะ ม, มีนั่นเป็นไ ป, น ป, นปนไม่ได้เราทำเที่ยงในบัดนี้อย่านอน่า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 เพราะฉะนั้นจริงเป็นเรื่องโมฆะอย่างจิตลงในจุดที่จะเป็นทุกข์เพราะทุกข์มันเกิดขึ้นที่ไหนเมื่อแกยกจุดนั้นแล้วทุกข์จะเกิดขึ้นที่นั่นนหละนัะ่แล้วมันเกิดขึ้นที่ไหนเวลานี้นอกจากเกิดขึ้นในธาตุในขันธ์ในจิตใจั้งเราไม่มีที่อื่นเป็นที่เกิดของทุกข์แต่ละคนละคนเป็นเรือนรับรองทุกข์ทั้งหมดเมื่อเป็นอย่างนั้นจริงต้องสร้างเรือนรับรองทำขึ้นมาด้วยสติปัญญาศรัทธาความ เพื่อความน้ำาสความภาคความเปลี่ยนให้ขึ้นในสถานที่แห่งเดียวกันแล้วกําจัดสิ่งที่มืดบนอนบการทั้งหลายนี่ออกเหลือแต่ความสว่างรกระจางแจ้งขึ้นภายาในจิตใจผู้นั้นแหละการคืนก็ตามกลางวันก็ตามเป็นผู้มีราตรีอันเดียวเท่า น, านั้นนานดานหวาคือมีความสว่างสวายอยู่ตลอดเวลาไม่นิยมมาเป็นกลางวันกลางคืน อ, อยู่ที่ใจนั่นแหละคือผู้มีหลัก ผู้มีอริยรัพย์ผู้มีความสุขชกอยู่ที่ใจาการแสดงก็เห็นสมควรจึงขอได้ติดกันตรงนั้